สสมถะขันธกะหนึ่งสมุขาวินัยว่าด้วยระงรับอธิกรณ์ในที่พร้อมหน้าเรื่องพระชาพคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินิกะเศรษฐีเขครุงสาวัตถีครั้งนั้นแหละพวกพิสุชาพคีลงตัตชินิยกรรมบ้างนิยสักรรมบ้าง ปปาชนิยกรรมบ้างปฏิสารณิยกรรมบ้างอุเคปณิยกรรมบ้างแก่ภิกษุทั้งหลายผู้มิได้อยู่ต่อนหน้าปรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพลธนาว่าฉไหนพวกภิกษุชาวพัคีจึงได้ลงตัดชนิยกรรมบ้างนิยสกรรมบ้างปปพาชนิยกรรมบ้างปฏิสารณิยกรรมบ้างอุเคปณิยกรรมบ้างแก่ภิกษุทั้งหลายผู้มิได้อยู่ต่อนหน้าเล่า แล้วได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าผู้ภิกษุชาวคีลงตัชนิยกรรมบ้างนิยสกรรมบ้างปรับพาชนิยกรรมบ้างปฏิสารณิยกรรมบ้างอุเคปณิยกรรมบ้างแก่ภิกษุทั้งหลายาาผู้ไม่ได้อยู่ต่อหน้าจริงหรือ ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายการกระทําของโมฆะบุรุษเหล่านั้นไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่สิกิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเลยภิกษุทั้งหลายเช่นไหนโมฆะบุรุษเหล่านั้นจึงได้ลงตัดชียกรรมบ้างนิยสกรรมบ้างปปาชียกรรมบ้าง ปฏิสารณิยกรรมบ้างโอเคปณิยกรรมบ้างแก่ยภิกษุทั้งหลายผู้มิได้อยู่ต่อหน้าเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำของโมงขะบุรุษเหล่านั้นนั่นมิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมกีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายตัดนิยกรรมก็ดีนิยสกรรมก็ดีปปพาชนิยกรรมก็ดี ติสารนียกรรมก็ดีโอเคปนิยกรรมก็ดีภิกษุไม่พึงลงแก่ภิกษุทั้งหลายผู้มิได้อยู่ต่อหน้ารูปใดลงต้องอาบัตทุกกดธรรมวาทีและอธรรมวาทีอาธรรมวาทีบุคคลอาธรรมวาทีภิกษุมากรูปอาธรรมวาทีสมธรรมวาทีบุคคลธรรมวาทีภิกษุมากรูปธรรมวาทีสม ปักขะนวะกะว่าด้วยทำฝ่ายดำก้าวอย่างสามุคขาวินัยปฏิรูปอาธรรมวาทีบุคคลยังธรรมวาทีบุคคลให้ยินยอมให้พินิษให้เพ่งให้ใคร่าครวนให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ธรรมนี้วินัยนี้สัตถศาสตร์ท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ถ้าอธิกรนั้นระ ง, งับอย่างนี้ชื่อว่าระ ง, งับโดยไม่ชอบธรรม เป็นสามมุคควินัยปฏิรูปหนึ่งธรรมวาทีบุคคลยังธรรมวาทีภิกษุมากรูปให้ยินยอมให้พินิษ์ให้เพ่งให้ใกล้ค ร, ครนูนให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ธรรมนี้วินัยนี้ศัตุศาสตร์พวกท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ถ้าอธิกรนั้นระ ง, งับอย่างนี้ชื่อว่าระ ง, งับโดยไม่ชอบธรรมเป็นสามุคควินัยปฏิรูป 2. อ, อธรรมวาทีบุคคลยังธรรมวาทีสงให้ยินยอมให้ปินิจให้เพ่งให้ใกล้ครวนให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ธ ร, รมนี้วินยัยนี้สัตธุศาสตร์ท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ถ้าอธิกรนั้นระ ง, งับอย่างนี้ชื่อว่าระ ง, งับโดยไม่ชอบธรรมเป็นสามุขาวินัยปฏิรูปสา อาธรรมวาทีภิกษุมากรูปยังธรรมวาทีบุคคลให้ยินยอมให้พินิษให้เพ่งให้ใคร้ครวนให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ธรรมนี้วินยัยนี้สัตุศาสตร์ท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ถ้าอาธิกรนั้นระงับอย่างนี้ชื่อว่าระงับโดยไม่ชอบธรรมเป็นสา ม, มุขาวินัยปฏิรูปสอาธรรมวาทีภิกษุมากรูป ยังธรรมวาทีภิกษุมากรูปให้ยินยอมให้พินิษให้เพ่งให้ใคร่ครวนให้แสดงให้แสดงตามว่าน้ธรรมน้วินยัยน้สัตถุศาสตร์พวกท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ถ้าอธิกรนั้นระ ง, งับอย่างนี้ชื่อว่าระ ง, งับโดยไม่ชอบธรรมเป็นสามุมฆาวิในปฏิรูปหอาธรรมวาทีภิกษุมากรูป ยังธรรมวาทีสงให้ยินยอมให้พินิษให้เพ่งให้ใคร่ครวนให้แสดงให้แสดงตามว่านิธรรมนิวินยัยนิสัธุศาสตร์พวกท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ถ้าอาธิกรณ์นั้นระ ง, งับอย่างนี้ชื่อว่าระ ง, งับโดยไม่ชอบธรรมเป็นสามุขาวินัยปฏิรูป 6- อาธรรมวาทีสงยังธรรมวาทีบุคคลให้ยินยอมให้พินิษ ให้เพ่งให้ไข้ครวนให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ธรรมนี้วินยัยนิสัตุศาสตร์ท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ถ้าอาธิกรนั้นระ ง, งับอย่างนี้ชื่อว่าระ ง, งับโดยไม่ชอบธรรมเป็นสามุ ข, ขาวินัยปฏิรูปเจ็ธรรมวาทีสง์ยังธรรมวาทีภิกษุมากรูปให้ยินยอมให้พินิจให้เพ่งให้ใคร่ครวน ให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ธรรมนี้วินัยนี้สัตุศาสตร์พวกท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ถ้าอาธิกรณ์นั้นระ ง, งับอย่างนี้ชื่อว่าระ ง, งับโดยไม่ชอบธรรมเป็นสามุขาวินัยปฏิรูป 8- อธรรมวาทีสงยังอธรรมวาทีสงให้ยินยอมให้พินิษ์ให้เพ่งให้ใครครวนให้แสดงให้แสดงตามว่า น้ธรรมนี้วินัยนี้สัตุศาสตร์ท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ถ้าที่กรนั้นระ ง, งับอย่างนี้ชื่อว่าระ ง, งับโดยไม่ชอบธรรมเป็นสา ม, มุขาวินัยปฏิรูปกากัณหะปักขะนวะกะจบ ปักขะนว ก, กะว่าด้วยทมฝ่ายขาว9ก้าอย่างสามุขาวินัยโดยธรรมธรรมวาทีบุคคลยังอธรรมวาทีบุคคลให้ยินยอมให้พินิษให้เพ่งให้ใครครวนให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ธรรมนี้วินยัยนี้ศาสตรศาสตร์ท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ถ้าอธิกรณ์นั้นระ ง, งับอย่างนี้ชื่อว่าระ ง, งับโดยธรรมเป็นสามุขาวินยัย ธรรมวาทีบุคคลยังอธรรมวาทีภิกษุมากรูปให้ยินยอมให้พินิษให้เพ่งให้คล้าครวนให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ธรรมนี้วินยัยนี้สัตวุศาสตร์พวกท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ถ้าอธิกรณ์นั้นระ ง, งับอย่างนี้ชื่อว่าระ ง, งับโดยธรรมเป็นสมุขาวินยัยสอง ธรรมวาทีบุคคลยังอธรรมวาทีสงให้ยินยอมให้พินิษให้เพ่งให้ใไข้ครวนให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ธรรมนี้วินยัยนี้สัตวุศาสตร์พวกท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ถ้าอธิกรนั้นระ ง, งับอย่างนี้ชื่อว่าระ ง, งับโดยธรรมเป็นสามุขาวินยัยสธรรมวาทีภิกษุมากรูปยังอธรรมวาทีบุคคลให้ยินยอม ให้พินิษให้เพ่งให้เครียครวนให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ธรรมนี้วินยัยนี้สัตุสาสตร์พวกท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ถ้าอธิกรณ์นั้นระ ง, งับอย่างนี้ชื่อว่าระ ง, งับโดยธรรมเป็นสามุขาวินยัยสธรรมวาทีภิษุมากรูปยังธรรมวาทีภิษุมากรูปให้ยินยอมให้พินิษให้เพ่งให้เครียครวน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 น้ธรรมนี้วินัยนี้สัตุศาสตร์พวกท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ถ้าอธิกรนั้นระ ง, งับอย่างนี้ชื่อว่าระ ง, งับโดยธรรมเป็นสามุขาวินัยหธรรมวาทีสงยังอธรรมวาทีบุคคลให้ยินยอมให้พินิษให้เพ่งให้ไข้ครวนให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ธรรมนี้วินัยน้สัตุศาสตร์ พวกท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ถ้าอธิกรณ์นั้นระ ง, งับอย่างนี้ชื่อว่าระ ง, งับโดยธรรมเป็นสา ม, มุคขาวินยัยเจ็ดธรรมวาทีสงยังอธรรมวาทีภิกษุมากรูปให้ยินยอมให้พินิษให้เพ่งให้คร้ครวนให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ธรรมนี้วินยัยนี้ศาสตร์พวกท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ ถ้าอธิกรณ์นั้นระ ง, งับอย่างนี้ชื่อว่าระ ง, งับโดยธรรมเป็นสา ม, มุขาวินยัย8ธรรมวอาทีสง์ยังอธรรมวาทีสง์ให้ยินยอมให้พินิษให้เพ่งให้เครือกวนให้แสดงให้แสดงตามว่านี้ธรรมนี้วินยัยนี้สัตุศาสตร์พวกท่านจงถือเอาข้อนี้จงพอใจข้อนี้ถ้าอธิกรณ์นั้นระ ง, งับอย่างนี้ชื่อว่าระ ง, งับโดยธรรม เป็นสามุขาวินัย 9. สุกะปกคะนวกะจบสามุขาวิัยจบ 2. สติวิัยว่าด้วยระงับอธิกรณ์โดยประกาศสมมุติให้ว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ เรื่องพระทัพพระมรบุตรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครื่ครั้งนั้นแลท่านพระทัพพระมรบุตรได้บรรลุพระอรหัตผลเมื่ออายุเจ็ดขวบนับแต่เกิดคุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระสาวกจะพึงบรรลุท่านก็ได้บรรลุแล้วทั้งหมดอันหนึ่งท่านไม่มีกิจอะไรอะไรที่จะพึงทํายิ่งกว่านี้ หรือกิด ท, ที่ทำเสร็จแล้วซึ่งจะทำเพิ่มเติมอีกก็ไม่มีต่อมาท่านพระทัพพระมรบุตรหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าเราได้บรรลุอรหัตผลเมื่ออายุเจ็ดขวบนับแต่เกิดคุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระสาวกพึงบรรลุเราก็ได้บรรลุแล้วทั้งหมดไม่มีกิจอะไรอะไรที่จะพึงทำยิ่งกว่านี้หรือกิจที่ทาเสร็จแล้วซึ่งจะทาเพิ่มเติมอีกก็ไม่มี เราควรช่วยอะไรสงได้บ้างลำดับนั้นท่านพระทัพพระมรบุตรตกลงใจว่าถ้ากระไรเราควรจัดแจงเสนาสนะและแจกพัทหารแกสงครั้นออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งลงณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า พระพุทธเจ้าข่าข้าพระพุทธเจ้าเล็กรั้นอยู่ในที่สงัดมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้บรรลุอรหัตผลเมื่ออายุเจ็ดขวบนับแต่เกิดคุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ได้บรรลุแล้วทั้งหมดไม่มีกิจอะไรอะไรที่จะพึงทํายิ่งไปกว่านี้หรือกิจที่ทําเสร็จแล้วซึ่งจะทําเพิ่มเติมอีกก็ไม่มีเราควรช่วยอะไรสงได้บ้างพระพุทธเจ้าค่าถ้าอะไร ข้าพระพุทธเจ้าพึงจัดแจงเสนาสนะและแจกพัฒหารแก่สงฆ์ข้าพระพุทธเจ้าปรารถนาจะจัดแจงสเสนาสนะและแจกพัฒหารแก่สงฆ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วดีแล้วทะพะัพพระถ้าอย่างนั้นเธอจงจัดแจงเสนาสนะและแจกพัฒหารแก่สงฆ์พร ะ, พะทัพพระมรรบุตรทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้ว แต่งตั้งเสนาสนะปัญญาปกะและพัตุเทศกะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมิกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นทรงจงแต่งตั้งทัพพระมรรให้เป็นเสนาสนะปัญญาปกะและพัตุเทศกะวิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาแต่งตั้งภิกษุทั้งหลาย ทรงพึงแต่งตั้งอย่างนี้เบื้องต้นพึงขอให้ทัพพระมะรรบรับครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงแต่งตั้งท่านพระทัพพระมะรรบให้เป็นเสนาสนะปัญญาปะกะและพัตเทศกะนี่เป็นยติท่านผู้เจริญ ขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงแต่งตั้งพระทัพพระมรบุตรให้เป็นสานาสนะปัญญาปากะและพัทุเทสกะท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งท่านพระทัพพระมรบุตรให้เป็นเสานาสนะปัญญาปะกะและพัทุเทศกะท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงท่านพระทัพพระมรบุตรสงแต่งตั้งให้เป็นสานาสนะปัญญาปากะ และพัตุเทสะกะแล้วทรงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอเถอความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้เมื่อท่านพระทัพพระมรบุตรได้รับแต่งตั้งแล้วย่อมจัดแจงเสนาสนะสำหรับโมภิกษุผู้มีคุณสมบัติเสมอกันไว้ที่เดียวกันดังนี้คือจัดแจงเสนาสนะสาหรับภิกษุผู้ทรงพระสูตรรวมกันไว้แห่งหนึ่งด้วยประสงค์ว่า ภิกษุเหล่านั้นจะซักซ้อมประสูตรกันจัดแจงเ erm ANA, สนาสนะสําหรับภิกษุผู้ทรงพระวินยัยรวมกันไว้แห่งหนึง่งด้วยประสงค์ว่าภิกษุเหล่านั้นจกวินิจฉัยพระวินัยกันจัดแจงเสนาสนะสาหรับภิกษุผู้ทรงพระอภิธรรมรวมกันไว้แห่งหนึง่งด้วยประสงค์ว่าภิกษุเหล่านั้นจกสนทนาพระอภิธรรมกันจัดแจงเ aina, สนาสนะสาหรับภิกษุผู้ได้ชานรวมกันไว้แห่งหนึง่ง ด้วยประสงค์ว่าภิกษุเหล่านั้นจะไม่รบกวนกันจัดแจงเสนาสนะสําหรับภิกษุผู้ชอบกล่าวโดยราชานคถาผู้มากไปด้วยการบํารุงร่างกายรวมกันไว้แห่งหนึ่งด้วยประสงค์ว่าภิกษุเหล่านี้จะอยู่ตามความพอใจท่านพระทัพพระมรบุตรนั้นเข้าเตโชกสินแล้วจัดแจงเสนาสนะด้วยแสงสว่างนั้นสําหรับภิกษุที่มาในเวลาค่ําคืน ภิกษุทั้งหลายจงใจมาในเวลาค่ําคืนด้วยประสงค์ว่าพวกเราจะชมอิทธิปาฏิหาริย์ของท่านพระทัพพระมลบุตรก็มีภิกษุเหล่านั้นพากันเข้าไปหาท่านพระทัพพระมลบุตรกล่าวว่าท่านจงแจกแจงใชานาสนะให้พวกกระผมท่านพระทัพพระมลบุตรกล่าวว่าท่านทั้งหลายต้องการพักที่ไหนเล่าข้าพเจ้าจะจัดแจงในที่ไหนภิกษุเหล่านั้นจงใจอ้างที่ไกลไกลว่า ท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมที่ภูเขาคิจกูดท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมที่เหวสำหรับทิ้งโจรท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมที่กาลศิลาข้างภูเขาอิสิกิลิท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมที่ถ้ำสัตตะบรรณักคูหาข้างภูเขาเวภาระท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมที่เงื้อสัปปโซนะทิกะ ไล่สีตะวันท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้ผู้กระผมที่ซอกเขาโคตมกะท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้ผู้กระผมที่ซอกเขาตินนทุกะท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้ผู้กระผมที่ซอกเขากโปตะท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้ผู้กระผมที่ตะโปทารามท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้ผู้กระผมที่ชีวกัมพวัน ท่านจงแจกแจงเสนาสนะให้พวกกระผมที่มัทกุจิมรคทายวันท่านพระทัพะมะระบุตรเข้าเตโชกสินใช้องคุลีส่องแสงสว่างเดินนาหน้าภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นเดินตามท่านพระทัพะมะรบุตรไปด้วยแสงสว่างนั้นท่านได้แจกแจงเสนาสนะสําหรับภิกษุเหล่านั้นชี้แจงว่านี่เตียงนี่ตังนี่ฟูกนี่หมอนนี่ที่ถ่ายอุจระ นี่ที่ถ่ายปัสสาวะนี่น้ำฉันนี่น้ำใช้นี่ไม้เท้านี่ระเบียบกติกาสงควรเข้าเวลานี้ควรออกเวลานี้ครั้นจัดแจงเสร็จแล้วกลับมาพระเวลุวันวิหารตามเดิมเรื่องพระทัพพระมรบุตรจบ พระเมติยะและพระภูมิจักกะสมัยนั้นพระเมติยะและพระภูมิจักกะเป็นพระบวชใหม่และมีบุญน้อยเสนาสนะของสงชั้นเลวอาหารก็ชั้นเลวตกถึงท่านทั้งสองชาวกรุงราชคฤึกต้องการจะถวายบิณฑบาตแก่พระเถระทั้งหลายก็ถวายเนยใสยบ้างน้ำมันบ้างแกงอ่อมบ้างที่จัดปรุงพิเศษแต่พวกเขาถวายอาหารธรรมดาแก่พระเมติยะ และพระภูมิมัจจกะตามแต่จะหาได้คือปลายข้าวกับน้ำผักดองวันหนึ่งท่านทั้งสองกลับจากบินทบาทหลังจากฉันเสร็จแล้วเที่ยวถามภิกษุผู้เทระทั้งหลายว่ามีอาหารอะไรบ้างในโรงฉันสำหรับพวกท่านพระเทระบางพวกตอบว่าคุณทั้งสองพวกเรามีเนยใสน้ำมันแกงอ่อมพระเมติยะและพระภูมิมัจกะกล่าวว่า พวกกระผมไม่มีอะไรเลยขอรับมีแต่อาหารธรรมดาตามแต่จะหาได้คือปลายข้าวกับน้ำผักดองสมัยต่อมาข้าพเดีผู้ชอบถวายอาหารอย่างดีถวายอาหารแก่สงวนละศีที่เป็นนิตยพัฒข้าพดีพร้อมด้วยบุตรภัญญาอังคาดอยู่ใกล้ๆในโรงฉันคนอื่นๆถามถึงความต้องการเข้าสุขถามถึงความต้องการกับข้าวถามถึงความต้องการน้ำมัน ถามถึงความต้องการแกลงออมวันต่อมาท่านพระทัพพระมรบุตรผู้เป็นพระตุเทสกะนิมนทรพระเมตยะและพระภูมิจักกะไปฉันพัตฐารของข้าบดีในวันรุ่งขึ้นวันเดียวกันนั้นข้าบดีเดินทางไปอารามด้วยธุรบางอย่างได้เข้าไปหาท่านพระทัพพระมรบุตรถึงสำนักครั้นถึงแล้วได้ไหว้ท่านพระทัพพระมรบุตรแล้วนั่งลงณที่สมควร ทพระทัพพระมรบุตรชี้แจงข้าพดีผู้ชอบถวายอาหารอย่างดีให้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเรับใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาครั้นแล้วข้าพดีผู้ชอบถวายอาหารอย่างดีถามว่าพระตาหารที่จะถวายในวันพรุ่งนี้ที่เรือนของข้าพเจ้าท่านนิมนต์ภิกษุรูปไหนไปฉันขอรับท่านพระทัพพระมรบุตรตอบว่า อาตมาจดให้พระเมตยะและพระภุมมะช ก, กะไปฉันเขาไม่พอใจว่าทำไมจึงนิมนต์ภิกษุชั่วไปฉันพัฒหารในบ้านเราเล่ากลับไปบ้านแล้วสั่งหญิงรับใช้ว่าแม่สาวใช้พรุ่งนี้เจ้าจงจัดอาสนะไว้ที่ซุ้มประตูแล้วเอาปลายข้าวกับน้ำผักดองถวายภิกษุผู้มาฉันพัฒหารนะหญิงรับใช้รับคาว่าได้เจ้าคะ่ะวันเดียวกันนั้น พระเมติยะและพระภูมิมัชะกะกล่าวกันว่าคุณเมื่อวานนี้เราได้รับนิมนต์ไปฉันพัตหานในเรืองข้าบดีพรุ่งนี้ข้าบดีผู้ชอบถวายอาหารอย่างดีพร้อมด้วยบุตรภัญญาก็จะมายืนอังคาดเราอยู่ใกล้ๆคนอื่นถามถึงความต้องการเข้าสุขถามถึงความต้องการกับข้าวถามถึงความต้องการน้ำมันถามถึงความต้องการแกงอ่อมเพราะความดีใจนั้น พอตกกลางคืนท่านทั้งสองจึงจำวัดหลับไม่เต็มที่ครั้นเวลาเช้าโครองอันตรวาสศกถือบาและจีวรเดินไปถึงนิเวศของข้าพดียญิงรับใช้มองเห็นพระเมติยะและพระภูมิมัจกะเดินมาแต่ไกลจึงจัดอาสนะไว้ที่ซุ้มประตูกล่าวนิมนต์ว่าพระคุณเจ้านิมนต์นั่งเถอเจ้าคะ่ะพระเมติยะและพระภูมิมักะคิดว่า เขาคงนิมนต์ให้พวกเรานั่งรอที่ซุ้มประตูจนกว่าพัทหารจะเสร็จขณะนั้นหญิงรับใช้นําปลายข้าวกับน้ําผักดองไปถวายกล่าวว่าพระคุณเจ้านิมนต์ฉันเถอเจ้าค่ะท่านทั้งสองกล่าวว่าน้องหญิงพวกอาตมารับนิมนต์มาฉันนิตยพัฒน์หญิงรับใช้ตอบว่าทราบเจ้าค่ะว่าท่านเป็นพระรับนิมนต์มาฉันนิตยพัฒน์แต่เมื่อวานนี้กล้าบริสั่งไว้ว่า แม่สาวใช้พรุ่งนี้เจ้าจงจัดอาสนะไว้ที่ซุ้มประตูแล้วเอาปลายข้าวกับน้ำผักดองถวายภิกษุผู้มาฉันพัตหารนะนิมนฉันเธอเจ้าค่ะพระเมติยะและพระภูมิจักกะปรึกษากันว่าเมื่อวานนี้เองข้าปดีผู้ชอบถวายอาหารอย่างดีไปหาพระทัพพระมรบุตรถึงอารามสงสัยพวกเราคงถูกพระทัพพระมรบุตรทำลายต่อนหน้าฆ้าพดีเป็นแน่ เพราะความเสียใจท่านทั้งสองจึงฉันปัทหารไม่ได้สมใจครั้นกลับจากเบนทบาทหลังจากฉันเสร็จแล้วถึงอารามเก็บบาทและจีวรแล้วใช้ผ้าสังฆาติรัดเขา่านั่งภายนอกซุ้มประตูอารามนิ่งอัน้นเกอ้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าไม่พูดจาภิกษุณีเมตยาใส่ความพระทัพพระมรบุตรครั้งนั้นภิกษุณีเมตยา ก็ไปหาพระเมติยะและพระภูมิจักกะถึงที่พักครั้นถึงแล้วเรียกล่าวกับพระเมติยะและพระภูมิจักกะดังนี้ว่าพระคุณเจ้าดิฉันไหว้เจ้าค่ะเมื่อเธอกล่าวอย่างนั้นพระเมติยะและพระภูมิจักกะก็ไม่พูดด้วยแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามภิกษุณีเมติยากล่าวกับพระเมติยะและพระภูมิจักกะว่าดิฉันไหว้เจ้าค่ะแม้ครั้งที่สาม พระเมตยะและพระภูมิมัชะกะก็ไม่ยอมพูดด้วยภิกษุณีเมตยากล่าวต่อไปว่าดิฉันทำผิดอย่างไรต่อพระคุณเจ้าทำไมพระคุณเจ้าจึงไม่ยอมพูดกับดิฉันภิกษุทั้งสองตอบว่าจริงอย่างนั้นแหละน้องหญิงพวกเราถูกพระทัพพระมรบุตรเบียดเบียนเธอยังเพิกเฉยอยู่ได้ภิกษุณีเมตยาถามว่าดิฉันจะช่วยได้อย่างไรเจ้าค่ะ ภิกษุทั้งสองตอบว่าถ้าเธอเต็มใจช่วยวันนี้แหละพระผู้มีพระภาคต้องให้พระทัพพระมารบุตรศึกภิกษุณีเมติยาถามว่าพระคุณเจ้าดิฉันจะทำอย่างไรจะช่วยได้ด้วยวิธีไหนภิกษุทั้งสองตอบว่ามาเถิดน้องหญิงเธอจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครันถึงแล้วจงกราบทูลพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข่า เรื่องนี้ไม่สมควรไม่เหมาะสมทิศที่เคยปลอดภัยก็กลับมีภัยทิศที่ไม่เคยมีเสนียดจันไรก็กลับมีเสนียดจันไรทิศที่ไม่เคยมีอุปทวะก็กลับมีอุปทวะในที่ที่ไม่เคยมีลมก็กลับมีลมแรงน้ำก็ดูเป็นเหมือนน้ำร้อนขึ้นมามอมฉันถูกพระทัพพระมรุตรข่มขืนพิสษุนีเมติยารับคำของพระเมติยะและพระภูมิมัจกะแล้ว จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าเรื่องนี้ไม่สมควรไม่เหมาะสมที่ที่เคยปลอดภัยก็กลับมีภัยที่ที่ไม่เคยมีเสนียดจันไรก็กลับมีเสนียดจันไรที่ที่ไม่เคยมีอุปทวะก็กลับมีอุปทวะในที่ที่ไม่เคยมีลมก็กลับมีลมแรง น้ำก็ดูเป็นเหมือนน้ำร้อนขึ้นมาหม่อมฉันถูกพระทัพพระมรบุตรค่มขืนทรงประชุมสงสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระทัพพระมรบุตรว่าทัาพพระเธอจําได้ไหมว่าได้ทําตามที่ภิกษุณีนี่กล่าวหาท่านพระทัพพระมรบุตรกราบทูลว่าพระพู้จะเจ้าข่า พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระทัพบะมรบุตรว่าทัพพระเธอจําได้ไหมว่าได้ทําตามที่ภิกษุณีเนี่กล่าวหาพระทัพบะมรบุตรก็กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร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 พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงให้นางภิกษุณีเมตยาศึกจงสอบถามภิกษุเหล่านี้แล้วเสด็จจากที่ประทับเข้าพระวิหารหลังจากนั้นภิกษุทั้งหลายจึงให้นางภิกษุณีเมติยาศึกแต่พระเมตยะและพระพุมมจัชะกะได้แจ้งภิกษุทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลายอย่าให้นางภิกษุณีเมติยาเสกเลยนางไม่มีความผิดพวกกระผมโกรธไม่พอใจต้องการให้พระทัพพระมรบุตรพ้นจากพรหมจันทร์จึงชักจูงนางภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าท่านทั้งหลายพวกท่านใส่ความพระทัพพระมรบุตรด้วยศีลวิบัติที่ไม่มีมูลหรือบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามโพท น, นาว่า ชนายพระเมตียะและพระภูมิจัชะกะจึงใส่ความท่านพระทัพพระมรบุตรด้วยศีลวิบัติที่ไม่มีมูลเล่าแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุเมตียะและภิกษุภูมิจัชะกะใส่ความทัพพร ะ, พะมรบุตรด้วยศีลวิบัติที่ไม่มีมูลจริงหรือ ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกรถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นทรงจงให้สติวินยัยแกทัพพระมรรบพูดถึงความไพบู์แห่งสติแล้ววิธีให้สติวินัยและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายทรงพึงให้สติวินัยอย่างนี้คือภิกษุทัพพระมรรบนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์มอุตราสงฆ์เฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบท้าภิกษุผู้แก่พันศาทั้งหลายนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญภิกษุเมติยะและภิกษุภูมิมักกะเหล่านี้ใส่ความกระผมด้วยศีลวิปัติที่ไม่มีมูลกระผมนั้นถึงความไพบู์แห่งสติแล้วขอสติวินัยกับสมพึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามว่า ท่านผู้เจริญพิกษุเมติยะและภิกษุภุมมชชกะเหล่านี้ใส่ความกระผมโดยศีลวิบัติที่ไม่มีมูลกระผมนั้นถึงความไพบูุ์แห่งสติแล้วขอสติวินัยกับสงฆ์ภิษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยัติจตุตักรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิษุเมติยะและภิษุภูมมะชกะเหล่านี้ ใส่ความท่านพระทัพพระมรบุตรด้วยศิลวิบัติที่ไม่มีมูลท่านพระทัพพระมรบุตรเป็นผู้ถึงความพัยบุ์แห่งสติแล้วขอสติวินัยขับสงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงให้สติวินยัยแก่ท่านพระทัพพระมรบุตรผู้ถึงความพัยบุ์แห่งสติแล้วนี่เป็นญาติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุเมติยะและภิกษุภูมิจักกะเหล่านี้ ใส่ความแท่นพระทัพพระมรบุตรด้วยศีลวิบัติที่ไม่มีมูลท่านพระทัพพระมรบุตร <tamam> เป็นผู้ถึงความไพบู์แห่งสติแล้วขอสติวินัยกับสงฆ์สงฆ์ให้สติวินยัยแก่ท่านพระทัพพระมรบุตรผู้ถึงความไพ่บู์แห่งสติแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้สติวินัยแก่ท่านพระทัพพระมรบุตรผู้ถึงความไพบู์แห่งสติแล้วท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วย ท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองเขาพเจ้ากล่าวความนี้ว่าแม้ครั้งที่สามเขาพเจ้ากล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังเขาพเจ้าภิกษุเมติยะและภิกษุภูมมะจชกะเหล่านี้ใจความแท่านพระทัพพระมรบุตรด้วยศิลวิบัติที่ไม่มีมูลท่านพระทัพพระมรบุตรเป็นผู้ถึงความไพบู์แห่งสติแล้วขอสติวินัยกับสงฆ์ ทรงให้สติวินัยแก่ท่าน tree, พระทัพพระมรบุตรผู้ถึงความไพบู์แห่งสติแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้สติวินัยแก่ท่านพระทัพพระมรบุตรผููถึงความไพบูนแห่งสติแล้วท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงสติวินัยทรงให้แล้วแก่ท่านพระทัพพระมรบุตรผููถึงความไพบู์แห่งสติแล้วทรงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้การให้สติวินัยที่ชอบทำห้าอย่างภิกษุทั้งหลายการให้สติวินัยที่ชอบทำมีห้าอย่างคือหนึ่งภิกษุเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ต้องอาบัติสผู้อื่นโจวดภิกษุนั้นสาภิกษุนั้นขอ 4. สีทรงให้สติวินัยแก่ภิกษุนั้นห้ทรงพร้อมเพรียงกันโดยทําให้ ภิกษุทั้งหลายการให้สติวินัยที่ชอบทำมีห้าอย่างนี้แลสติวินัยจบ 3. า ม, มูลหะวินัยว่าด้วยระงับอธิกรณ์โดยยกประโยชน์ให้ว่าต้องอาบัตในขณะเป็นบ้า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 จงระลึกอาบัตเห็นป่านนี้ภิกษุชื่อคคะนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมวิกลจริตมีจิตแปรปรวนเสียแล้วผมนั้นวิกลจริตมีจิตแปรปรวนได้ประพฤต์เละเ่อมเสสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณนะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกายผมระลึกอาบัตนั้นไม่ได้ผมหลงได้ทาสิ่งนี้แล้วภิกษุทั้งหลาย แม้ภิกษุชื่อคะคะนั้นกล่าวอยู่อย่างนั้นก็ยังโจทย์ภิกษุชื่อคะคะนั้นอยู่นั่นเองว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นป่านี้บรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตัมนิประนามโพธนาว่าชนไหนภิกษุทั้งหลายจึงได้โจทย์ภิกษุชื่อคะคะด้วยอาบัตที่ภิกษุชื่อคะคะนั้นผู้วิกลจริตมีจิตแปรปรวนประพฤติละเมิเป็นอาจินว่าท่านต้องอาบัตแล้ว จงระลึกอาบัตเห็นปานนี้ภิกษุชื่อคัคะนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมวิกลจริตมีจิตแปรปรวนเสร็จแล้วผมนั้นวิกลจริตมีจิตแปรปรวนได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่ควรแก่สมณะเป็นอาจีนมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทําด้วยกายผมระลึกอาบัตนั้นไม่ได้ผมหลงได้ทําสิ่งนี้แล้วภิกษุทั้งหลาย แม้ภิกษุชื่อคะนั้นกล่าวอยู่อย่างนั้นก็ยังโจทย์ภิกษุชื่อคะนั้นอยู่นั่นเองว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นป่า น, นี้แล้วนำเรื่องนี้ไปรกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุทั้งหลายโจทย์ภิกษุชื่อคะจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคทรงตำหนิครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมิกถาแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นทรงจงให้อมโมลหาวินัยแก่ภิกษุชื่อคักคะผู้หายวิกลจริตแล้ววิธีให้อมโมลหาวินัยและป ร, รมวาจาภิกษุทั้งหลายทรงเพิ่มให้อมโมลหาวินัยอย่างนี้ เพื่อพิสุชื่อคะคะนั้นพึงเข้าไปหาสงโฮมอุตราสง์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมวิกลจริตมีจิตแปรปรวนเสร็จแล้วกระผมนั้นวิกลจริตมีจิตแปรโปรวนได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณนะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทําด้วยกาย ภิกษุทั้งหลายโจรกระผมด้วยอาบัตที่กระผมผู้วิกลจริตมีจิตแรปรโปรนประพฤติเละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นปานนี้กระผมกล่าวกับภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายกระผมวิกลจริตมีจิตแรปรโปรนเสียแล้วกระผมนั้นวิกลจริตมีจิตแรปรปรน ได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกายกระผมระลึกอาบัต้นั้นไม่ได้กระผมหลงได้ทำสิ่งนี้แล้วภิกษุทั้งหลายแม้กระผมกล่าวอยู่อย่างนี้ก็ยังโจกกระผมอยู่นั่นเองว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นปานนี้ท่านผู้เจริญกระผมนั้นหายหลงแล้วขออมูลหาวินัยกับสม พึงขอแม่ครั้งที่สองพึงขอแม่ครั้งที่สามว่าท่านผู้เจริญกระผมวิกลจริตมีจิตแปรปรวนเสียแล้วกระผมนั้นวิกลจริตมีจิตแปรปรวนได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจีนมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทําด้วยกายภิกษุทั้งหลายโจกระผมด้วยอาบาที่กระผมผู้วิกลจริตมีจิตแปรปรวน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 กระผมระลึกอาบัต์นั้นไม่ได้กระผมหลงได้ทําสิ่งนี้แล้วภิกษุทั้งหลายแม้กระผมกล่าวอยู่อย่างนี้ก็ยังโจทย์กระผมอยู่นั่นเองว่าท่านต้องอาบัต์แล้วจงระลึกอาบัต์เห็นป่านี้ท่านผู้เจริญกระผมนั้นหายวิกลจริตแล้วขออโมลหะวินัยกับสงฆ์ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงสารด้วยยติเจตุตกรรมวาจาว่า ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อคักคะานี้วิกลจริตมีจิตแปรปรวนภิกษุชื่อคักคะนั้นวิกลจริตมีจิตแปรปรนได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจีนมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทาด้วยกายภิกษุทั้งหลายโจภิกษุชื่อคักคะด้วยอาบัติที่ท่านผู้วิกลจริต มีจิตแปรโปรนประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นปานนี้ภิกษุชื่อคะคะนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมวิกลจริตมีจิตแปรโปรนเสร็จแล้วกระผมนั้นวิกลจริตมีจิตแปรโปรนได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมาย ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกายกระผมระลึกอาบัต้นั้นไม่ได้กระผมหลงได้ทำสิ่งนี้แล้วภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุชื่อคคทะนั้นกล่าวอยู่อย่างนี้ก็ยังโจทย์ภิกษุชื่อคะคะนั้นอยู่นั่นเองว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นปานนี้ภิกษุชื่อคคะนั้นหายวิกลจริตแล้วขออโมลหะวินัยกับสงถ้าสงพร้อมกันแล้ว สงเพงให้อโมลหะาวิไนแกพิกษุชื่อคคะผู้หายวิกลจริตแล้วนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าพิกษุชื่อคคะนี้วิคนจริตมีจิตแปรโปรนท่านวิกลจริตมีจิตแปรโปรนได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทาด้วยกายภิษุทั้งหลายโจภิษุชื่อคคะ ด้วยอาบัตที่ภิกษุชื่อคัคะนั้นผู้วิกลจริตมีจิตแรปรปรนประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณนะเป็นอาจินมากมายว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นป่า น, นี้ภิกษุชื่อคคะนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมวิกลจริตมีจิตแรปรโปรนเสร็จแล้วกระผมนั้นวิกลจริตมีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทําด้วยกายกระผมระลึกอาบัตินั้นไม่ได้กระผมหลงได้ทําสิ่งนี้แล้วภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุชื่อคะคะนั้นกล่าวอยู่อย่างนั้นก็ยังโจอภิกษุชื่อคะคะนั้นอยู่นั่นเองว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นป่านนี้ภิกษุชื่อคะคะนั้นหายวิกลจริตแล้ว ขออมโมลหะวิไนกับสมสรงให้อมโมลหะวิไนแก่ภิกษุชื่อคักคะผู้หายวิกลจุริตแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้อมโมลหะวิไนแก่ภิกษุชื่อคักคะผู้หายวิกลจริตแล้วท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่า ละถึงอะโมลหวินยัยสงให้แล้วแก่ภิกษุชื่อคคะผู้หายวิคุณจริตแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้อมโมลหะวินัยไม่ชอบทำสามกรณีภิกษุทั้งหลายการให้อโมลหวินัยไม่ชอบทำสามหมวดชอบทำสามหมวดนี้การให้อโมลหวินัยไม่ชอบทำสามหมวดเป็นไงน มัวที่หนึ่งพิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสงหรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวโจทภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นปานนี้ภิกษุนั้นกําลังระลึกกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมต้องอาบัตแล้วแต่ระลึกอาบัตเห็นปานนี้ไม่ได้สงให้อโมลหาวินัยแก่พิกษุนั้นการให้อโมลหาวินัยไม่ชอบธรรม มัวที่สองภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสงหรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวโจวบภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัติแล้วจงระลึกอาบัตเห็นป่านนี้ภิกษุนั้นระลึกได้จึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมระลึกได้เหมือนความฝันสงให้อโมลหะวินัยแกภิกษุนั้นการให้อโมลหะวินัยไม่ชอบธรรม มัวที่สภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัติสงหรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวจวบภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัติแล้วจงระลึกอาบัตเห็นปานนี้ภิกษุนั้นหายวิคลจริตแล้วแต่ยังทําเป็นวิกลจริตว่าผมก็ทําอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็ทําอย่างนี้สิ่งนี้ควรแก่ผมสิ่งนี้ควรแม้แก่ท่านทั้งหลาย ทรงให้อโมลหะวิน really like so so hmm? ัยแก่ภิกษุนั้นการให้อโมลหะวินัยไม่ชอบธรรมการให้อโมลหะวินัยไม่ชอบธรรมสามหมวดเหล่านี้อโมลหะวินัยชอบธรรมมกรณีหมวดที่หนึ่งการให้อโมลหะวินัยชอบธรรมสาหมวดเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุวิคนจริตมีจิตแปรโปรวนภิกษุนั้นผู้วิคนจริต มีจิตแปรปรวนได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาชินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทําด้วยกายสงหรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวโจทภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นปานนี้ภิกษุนั้นระลึกไม่ได้จึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมต้องอาบัตแล้วแต่ระลึกอาบัตเห็นปานนี้ไม่ได้ ทรงให้อโมลหาวินัยแก่ภิกษุนั้นการให้อโมลหาวินัยชอบธรรมหมวดที่สองภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุที่วิกลจริตมีจิตแปรโปรนภิกษุนั้นผู้วิกลจริตมีจิตแปรโปรนได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทาด้วยกาย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 ภิกษุวิกลจริตมีจิตแปรปรวนภิกษุนั้นผู้วิกลจริตมีจิตแปรปรวนได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทําด้วยกายสงหรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวโจภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นปานนี้ภิกษุนั้นยังวิกลจริตอยู่ทําเป็นวิกลจริตว่า ผมก็ทำอย่างนี้แม้ท่านทั้งหลายก็ทำอย่างนี้สิ่งนี้ควรแม้แก่ผมสิ่งนี้ควรแม้แก่ท่านทั้งหลายทรงให้อโมลหาวินยัยแกภิกษุนั้นการให้อโมลหวินัยชอบธรรมการให้อโมลหาวินัยชอบธรรมสาหมวดเหล่านี้อโมลหะวินัยจบ